การปฏิบัติธรรมนี้เป็นเหมือนการเข้าสู่สมอลภูมของชีวิตสมอลภูมของชีวิตคือหรือสนามรบของชีวิตนี้คืออะไรก็คือความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่รักบุคคลที่รัก และการประเชิญกับสิ่งที่ไม่น่ารักกับบุคคลที่ไม่น่ารักกับเหตุการณ์ที่ไม่น่าปรารถนานี่คือสมรรภูมิของชีวิตส่วนข้าศึกษัตรูของเราคืออะไรก็คือตัณหาความอยาก ความอยากมีความสุขทางร่างกายคือทางตาหูจมูกลิ้นกายความอยากมีความสุขจากการได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ร่ำได้รวยและความสุขที่แด้ความอยากจากการไม่ต้อง เผชิญกับความแก่ความเจ็บความตายนี่คือข้าศึกศัตรูของพวกเราส่วนอาวุธที่เราจะใช้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูก็คือธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมที่ส่งสอนให้เราปฏิบัติส่งสอนให้เราเจริญก็คือ ทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคแปดคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำาริชอบสัมมากรรมโตการกระทำชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมาอาชิว อาชีพชอบสัมมาวายาโมความเปลี่ยนชอบสัมมาสติการนรึกรู้ชอบสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตชอบนี่คืออาวุธที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพวกเราผู้ที่จะเข้าสู่สมรภูมิของชีวิต เพื่อที่จะได้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูคือตันหาความอยากทั้งสามประการความอยากมีความสุขผ่านทางตาหูจมูกอินายเรียกว่าการมาตันหาความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากมีอำนาจวาสนาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคือ อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่เผชิญกับความทุกข์ยากลําบากอยากไม่เผชิญกับเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความวุ่นวายใจนี่คือข้าศึกศัตรูที่เราจะต้องทําลายให้ได้ถ้าเราทําลายข้าศึกศัตรูคือตัณหาความอยากต่างๆหมดไปจากใจได้ เราก็จะได้ชัยชนะชัยชนะก็คืออะไรก็คือนิโรธคือความสงบความดับของความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายในใจของเราในเวลาที่เราเข้าสู่สนามรบเข้าสู่สมอระพุมเวลาเราปฏิบัติธรรมถ้าเราอยากจะปฏิบัติแบบ จริงๆเราก็ต้องเข้าสู่สมรภูมิจริงๆสมรภูมิของผู้ปฏิบัติก็คือต้องอยู่แบบคนแก่ให้ได้อยู่แบบคนเจ็บใค้ได้ป่วยให้ได้อยู่แบบคนตายให้ได้อยู่แบบคนที่ต้องพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงให้ได้ อยู่แบบคนที่จะต้องเผชิญความทุกข์ยากลาบากความไม่พึงปรารถนาเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ปรารถนาให้ได้นี่แหละคือสมอรพูนถ้ายังไม่ได้เข้าสู่สมอรพูนถ้ายังไม่ได้อยู่แบบคนแก่คนเจ็บคนตายอยู่แบบคนปเปล่าเปลี่ยวเดียวด้ปราศจากบุคคลและ สิ่งของที่ตนรักตนชอบก็ยังไม่ถือว่าได้เข้าสู่สมรภูมิของชีวิตยังไม่ได้ปฏิบัติรมอย่างแท้จริงถ้าอยากจะเข้าสู่สมรภูมิเพื่อที่จะได้เจอกับข้าศึกศัตรูคือตันหาความอยากต่างๆอย่างแท้จริงเพื่อที่จะได้ใช้อาวุธที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบให้กับพวกเรา ไว้ทาลายค่าศึกษัตรูเราก็จะไม่ได้เห็นชัยชนะที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสมอรลรภูมิเข้าต่อสู้กับค่าศึกัตรูทําลายค่าศึกศัตรูของเร า, เาการที่เราจะเข้าสมรลรภูมินี้เราจะต้องอยู่มีอย่างไร เราก็ต้องอยู่แบบคนที่มีศีลของนัก บ, บวชนั่นเองคืออย่างน้อยก็ต้องเป็นศีลแปดเช่นอุบาสกอุบาสิกาศีลสิบก็สัมาเนนศีลสองรยสิบเจ็ดก็ของพระภิกษุเนี่ยถ้าถือศีลแล้วก็ถือว่าเป็นการตัดการใช้ร่างกายเป็นสื่อหรือเป็นเครื่องมือ ในการหาความสุขต่างๆไม่ต้องการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะว่าต่อไปร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายถ้าเรารู้จักอยู่โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาต่อไปเวลาร่างกายแก่เจ็บหรือตายใจของเราจะได้ไม่เดือดร้อนไม่วุว่นวาย นี่คือการเข้าสู่สมรภูมิของชีวิตนะต้องเข้าด้วยการถือศีลของนักบวชถือศีล8 <c oughs> ถือศีลส0บถือศีลสองยีแล้วก็ต้องปีกวิเวกอยู่ตามลำพังอยู่ในสภาพเปล่าเปลี่ยวเดียวดายว่าเวอยู่แบบไม่มี อะไรให้เป็นที่พึ่งไม่มีบุคคลไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ที่ให้เป็นที่พึ่งเพื่อที่จะได้พบกับข้าศึกศตูคือตันหาความอยากต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาแล้วพอข้าศึกศตรู บ, บุกเข้ามาเราจะได้ใช้อาวุธที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้แก่พวกเรา ไว้ต่อสู้และทำลายค่าศึกศัตรูก็คือศีลสมาธิปัญญานี้เองถ้าเราสร้างอาวุธไว้เตรียมรับกับค่าศึกศัตรูเวลาค่าศึกศัตรูเข้ามาเผชิญกับเราเราก็จะสามารถทำลายค่าศึกศัตรูได้พอเราทำลายค่าศึกศัตรูหมดแล้ว ความสงบสุขก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจชัยชนะของเราก็คือความสงบสุขนี้เองเกิดจากการตายเกิดจากการถูกทําลายของข้าศึกคือตันหาทั้งสากามตันหาภาวะตันหาและวิภวะตันหานี่คือเรื่องราวของการเข้าสู่สมรภูมิของชีวิต ที่พวกเราทุกคนไม่ช้าก็เร็วจะต้องถูกบังคับให้เข้าเมื่อถึงเวลาอยากจะเข้าหรือไม่อยากจะเข้าเมื่อถึงเวลาก็ต้องเข้าถ้าเข้าแบบถูกบังคับให้เข้าก็อาจจะพ่ายแพ้แก่ข้าศึกศัตรูเพราะไม่ได้เตรียมอาวุธไว้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูนั่นเองแต่ถ้าเข้าด้วยความสมัครใจ เข้าด้วยความพร้อมที่จะเข้าคือได้เตรียมอาวุธเอาไว้แล้วถ้าได้เตรียมอาวุธไว้แล้วทีนี้ก็พร้อมที่จะเข้าไปหาข่าศึกเข้าสู่สมรภูมิเลยไม่ต้องรอให้สมรภูมิมาหาเราไม่ต้องรอให้ความแก่ความเจ็บความตายมาหาเราเราจะเดินเข้าหาความแก่เข้าหาความเจ็บเข้าหาความตายเลย เอาหาความเปล่าเปลี่ยวเดียวดายความว้าเหวความเศร้าสร้อยหงอยเหงาความทุกข์ยากลําบากกับสภาวะที่ต้องอยู่เช่นไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวในป่าในเขาเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาลหันตสาวกทั้งหลายท่านเข้าสันหมอลพูมิก่อนที่ท่านจะถูกบังคับให้เขา้า ท่านเข้าไปในขณะที่ร่างกายของท่านยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ท่านพร้อมที่จะเข้าไปเพราะว่าท่านต้องการจะไปเจอคู่ต่อสู้ฆ่าศึกศัตรตูนั่นเองถ้าไม่เข้าสมอระพุมแล้วฆ่าศึกศัตรตูจะไม่ออกมาถ้าเราอยู่อย่างที่เราอยู่กันทุกวันนี้ฆ่าศึกศัตรตูจะไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่ ตัวกลัวควา ม, วามแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายนี้จะไม่ออกมาหรือถ้าออกมาก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถูกทำลายตอนนี้เราอยู่แบบไม่ได้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูของเราเราอยู่แบบเป็นพวกเดียวกับข้าศึกศัตรูคือเวลาเรามีความอยาก แทนที so ่เราจะต่อ so ต so ้านต่อสู้กับความอยากเรากับทำตามความอยากเป็นเพื so ่อนกับความอยากเป็นลูกน้องของความอยากความอยากต้องการให้เราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เราก็ไปกันความอยากต้องการให้เราดื่มให้เรารับประทานอะไรเราก็ดื่มเราก็รับประทานกันความอยากจะดูอยากจะฟังอะไรเราก็ทำกัน ความอยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั่นคนนี้เราก็ทํากันนี่แหละตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในสมองระพูเราไม่ได้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเราอยู่แบบเป็นข้าฉเฉลยศึกเหมือนกับว่าเรายอมแพ้เขาตั้งแต่ยังไม่ได้ทําสงคารามเขาเพียงแต่ประกาศออกมาว่าเราจะอะ เราจะเป็นเจ้านายของเธอเธอจะต้องเป็นข้าศึกเป็นเฉลยของเราเพียงแต่ประกาศเท่า น, นั้นเราก็ยกธงขาวละยอมแพ้เพราะเราไม่มีอาวุธที่เราจะสู้กับข้าศึกศัตรูของเรานี้เองเราไม่มีทานเราไม่มีศีลเราไม่มีภาวนาเราไม่มีศีลสมาธิปัญญาเราไม่มีมรรคแปด เราจึงต้องยกธงขาวพะเรารู้ว่าสู้ไปก็สู้ไม่ได้อยู่ดีเหมือนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพอญี่ปุ่นประกาศจะบุกเข้ามาในประเทศไทยเราก็ยกธง ข, งขาวยอมเพราะรู้ว่าสู้เขาก็สู้ไม่ได้อยู่ดีก็ยอมให้เขาเข้ามาเป็นเจ้านายของเรามาบัญชาการชีวิตของพวกเรา แมวีตมาไถ ท, ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของพวกเราตอนนี้พวกเราก็แบบเดียวกันถ้าพวกเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ถือศินของนักบวชไม่ได้ปีกวิเวกไม่ได้เข้าสู่สมรรภูมิของชีวิตก็ถือว่าเรากำลังเป็นชั่วยเป็นข้าสศึกของศัตรูของพวกเราคือตัณหาความอยากนี่เอง อันหาความอยากสั่งให้เราไปเอาอะไรเราก็ไปทําตามความตามคําสั่งของความอยากอยากร่ำอยากรวยเราก็ไปดิ้นกันหาเงินหาทองกันอยากเป็นใหญ่เป็นโตเราก็ไปดิ้นเงินไปหาความเป็นใหญ่เป็นโตกันอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ดิ้นกันไปหาความสุขแล้วเป็นยังไง การที่ได้เป็นทาสของตัณหาความอยากมันทําให้เรามีความสงบสุขมีความสบายใจมีความเป็นอิสระภาพหรือไม่หรือว่าเราต้องคอยเป็นข้าทาสคอยรับใช้คําสั่งของคำอยากอยู่เรื่อยๆนี่แหละคือข้าศึกศัตรูของพวกเราถ้าพวกเรา ไม่ขัดขืนไม่ต่อสู้เราก็จะต้องเป็นทาสของข้าศึกข้าของเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดมีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ประกาศสงครามกับข้าศึกศัตรูของพระองค์เป็นผู้เป็นองค์แรกที่ประกาศต่อสู้กับตันหาความอยากทั้งสามด้วยการเข้าสู่สมรภูมิลบ ทรงเสด็จออกจากพระราชวังการเสด็จออกนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำทานนี้เองสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่ทรงเคยอาศัยทรงใช้เป็นเครื่องมือรองรับคำสั่งของตันหาความอยากะจะไมายอยู่ในวังอยากจะดูอยากจะฟังก็มีสิ่งให้ดูสิ่งให้ฟังอยากจะเดินอยากรับประทาน ก็มีสิ่งให้ดื่มมีสิ่งให้รับประทานการมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการรับใช้ข้าศึกศัตรูของเราคือรับใช้ตันหาความอยากต่างๆองค์ทรงรู้ว่าถ้าอยู่ไปแบบนี้ก็จะไม่มีวันที่จะได้ชัยชนะจากข้าศึกจากการต่อสู้ กับค่าศึกศัตรูจึงทรงสละาราชสมบัติที่เป็นเหมือนกับเครื่องมือไว้รองรับใช้คําสั่งของตันหาพอไม่มีทรัพย์สมบัติแล้วตันหาก็ไม่สามารถสั่งให้พระองค์ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายได้จะสั่งให้ไปอยู่ประสาสามรถูก็ไม่มีประสาสามรถูให้อยู่ จะสั่งให้พระ อ, องค์ทรงจัดงานเลี้ยงก็ไม่สามารถจัดได้เพราะไม่มีทรัพสมบัติเงินทองไว้จับแล้วทรงสเสด็จไปอยู่ในป่าในเขา อ, อยู่ในสภาพที่ไม่มีใครอยากจะอยู่กัน อ, อยู่แบบว่าเหเป่าเปลี่ยวเดียวดายอยู่ตามลำพังไม่มีอะไรมาตอบสนองตันหาความอยากต่างๆได้ นี่คือการประกาศสงครามของพระพุทธเจ้าต่อข้าศึกศัตรูพอไปอยู่ในสมอรับภูมิแล้วทีนี้พระองค์ก็ต้องผลิตอาวุธขึ้นมาอาวุธที่จะไว้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูก็คือศีลสมาธิปัญญาทีนี้ก็สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ตันหาความอยากใช ตาหูจมูกเล่นกายเป็นเครื่องมือไม่รับใช้ข้าไม่รับใช้ค่าศึกศัตรตูปิดทวารทั้งห้าไม่ดูไม่ฟังไม่รับรู้อะไรต่างๆผ่านทางตาหูจมูกเล่นกายให้ดูแต่รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะที่ตำหาไม่ชอบไม่อยากดูเช่นอยู่ดูต้นไม้อยู่ในป่าก็ดูต้นไม้ดูใบไม้ ซึ่งดูไปก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดตันหาความอยากขึ้นมานี่คือการต่อสู้เวลาเราเข้าสู่สมอระพูมแล้วเราต้องต่อสู้กับความอยากทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นความอยากทางตาหูจมูกร่างกายเราก็ไปอยู่ตามที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผัทธพัที่ตันหาความอยากชอบ ชอบเสพชอบดูชอบฟังอันนี้ก็เป็นการต่อสู้ฆ่าศึกศัตรตูด้วยศีลด้วยการปรีกเว้ยเวด้วยการสํารวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราก็ต้องมาต่อสู้กับฆ่าศึกศัตรตูอีกระดับหนึ่งก็คือต้องหยุดเครื่องมือที่ตังหาฆ่าศึกศัตรตูใช้เป็นเครื่องมือ สร้างความไม่สงบสร้างความวุ่นวายให้กับเราก็คือความคิดปรุงแต่งต่างๆเราต้องหยุดความคิดปรุงแต่งไม่ให้ปล่อยให้คิดไปพราะคิดแล้วจะจ ะ, จะก็จะคิดไปตามความอยากพอมีความคิดเดี๋ยวก็อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะดื่มอยากจะรับประทานพอไปอยู่ในป่าในเขาตามลำพังถ้าควบคุมความอยากดูอยากฟัง อยากดื่มอยากรับประทานไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องออกจากป่าเขามากลับเข้ามาอยู่ที่เมืองกลับเข้ามาหารูปเสียงกลิ่นรสผลธพะกักลับเข้ามาหาแสงสีเสียงเพื่อจะได้ตอบสนองตันหาความอยากเราจึงต้องควบคุมความคิดปรุงแต่งให้ได้เวลาที่เราเข้าสู่สมอราูมแล้ว อย่าปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งในคิดไปอย่างอิสระเสรีเพราะจะทําให้คิดไปในตามความอยากทางกายตัณหาทางภาวะตัณหาและทางวิภาวะตัณหานี้เองพอถ้าเราควบคุมความคิดได้ใจก็จะว่างว่างแล้วใจก็เย็นสงบเป็นอุเบกขาไม่หิวไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไร ก็จะทำให้เราทำลายข้าศึกศัตรูเราได้ในระดับหนึ่งในขณะที่เราสามารถหยุดความคิดปรุงแต่งได้ในขณะที่จิตเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิอันนี้ก็จะความอยากก็จะหยุดทำงานชั่วคราวแต่ความอยากยังไม่ตายจากอำนาจของสติของสมาธิ เพราะไม่ได้เข้าไปถอนรากถอนโคนของความอยากนั่นเองความอยากก็เป็นเหมือนหญ้าก็เป็นเหมือนสติสมาธิก็เป็นเหมือนหินทับยญ้านี้เองเวลามีหินทับหญ้าหญ้าก็ไม่สามารถงอกงามขึ้นมาได้แต่เวลายกหินออกไปไม่นานเดี๋ยว ยญาก็จะงอกเงยขึ้นมาได้ขึ้นมาใหม่ได้เพราะยังมีรากอยู่ในดินนั่นเองฉันใดสติสมาธิก็เป็นอย่างนั้นไม่สามารถทำลายตันหาข้าศึกษัตรูของเราได้อย่างถาวรเพียงแต่ยุติเลิกหยุดพักชั่วคราวเท่านั้นก็เป็นเหมือนกับจับชฉลอยเศกมาขังไว้ในกลงชั่วคราว แต่ยังไม่ได้ฆ่าเขาถ้าเราปล่อยให้เขาออกจากกรงมเมื่อไหร่เขาก็จะกลับมาทำลายเราได้ทันทีเวลาเราออกจากสมาธิก็เหมือนกับเวลาเราปล่อยให้ปัญหาความอยากออกมาเพ่นพ่านอีกครั้งหนึ่งพอออกมาจากสมาธิพอมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาทันที ดังนั้นเวลาออกจากสมาธิมาแล้วเราต้องใช้สติควบคุมความคิดต่อไปถ้าเรายังไม่สามารถใช้ปัญญาได้ถ้ายังไม่รู้จักใช้ปัญญาอย่างน้อยก็ต้องควบคุมความคิดไวเหมือนเวลาปล่อยข้าศัตรูออกมานอกห้องขังเราก็ต้องมีอาวุธคอยคุมไม่ให้ฆ่าศัตร หนีจากเราไปหรือมาทำร้ายเราได้ถ้าเรามีอาวุธมีปืนคอยเฝ้าคอยควบคุมบังคับเขาไว้เขาก็จะไม่มาทาร้ายเราแต่ถ้าเราอยากจะจากัดกำจัดให้มันสิ้นสร้างไปเลยเราก็ออกมาแล้วก็เอาปืนไปยิงเลยยิงทิ้งไปเลยฆ่ามันให้ตายเลยพอฆ่าศึกศัตรูตายแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาคอยเฝ้าเหมัน ไม่ต้องมาคอยกังวลว่ามันจะมาสร้างความเดือดร้อนมาทำร้ายเราหรือไม่ถ้าเราจะฆ่ามันเราก็ต้องมีปืนปืนในที่นี้ก็คือปัญญาปัญญาเท่านั้นถึงจะสามารถฆ่าตันหาความอยากได้เพราะรากของตัญหาความอยากก็คือความหลงหรือความไม่รู้ ไม่รู้ว่าสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเรามองไม่เห็นกันเวลาเราอยากได้อะไรเรามักจะมองว่าเป็นความสุขได้มาแล้วจะมีความสุขแต่เรามองไม่เห็นความเสื่อมของสิ่งที่เราจะได้มาว่าเขาไม่ได้เป็นของถาวรเขาต้องเสื่อมเขาต้องเปลี่ยนไปเขาต้องหมดไป เวลาที่เขาเสือ่อมเวลาเขาหมดไปเราจะเป็นอย่างไรเรายังจะมีความสุขหรือไม่เช่นเราไปซื้อกาแฟมาดื่มพอเราดื่มหมดแล้วทีนี้เราอยากจะดื่มกาแฟอีกเราจะทำอย่างไรเมื่อกาแฟมันหมดแล้วถ้าไม่มีกาแฟดื่มต่อจะรู้สึกอย่างไรก็จะรู้สึกหงุดหงิดํำคาญใจเหมือนตอนที่อยากจะดื่มกาแฟใหม่ นั่นแหละคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันเรียกว่าเป็นความหลงเห็นเพียงด้านเดียวเห็นด้านดีเห็นด้านด้นด า, นดานความสุขเวลาอยากจะดื่มกาแฟแล้วพอได้ดื่มครก็รู้สึกมีความสุขแต่ลืมมองแต่ว่าแล้วเวลากาแฟหมดแล้วเราจะหากาแฟที่ไหนมาดื่มเช่นสมมติว่าร้านที่ขายเจ๊งไปแล้วไม่มีกาแฟขายแล้ว คนปลูกกาแฟเขาไม่ปลูกกาแฟมาขายแล้วในโลกนี้ไม่มีกาแฟให้เราดื่มแล้วเราจะทำอย่างไรเราก็จะต้องทุกขกับความอยากดื่มกาแฟแต่ถ้าเรารู้วความจริงอันนี้รู้ว่าความสุขที่ได้จากการดื่มกาแฟนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะมีความทุกข์ตามมาเวลาที่ไม่มีกาแฟให้ดื่ม ดังนั้นพอเราเกิดความอยากจะดื่มกาแฟถ้าเราเห็นความทุกข์เราก็จะได้ไม่ดื่มกาแฟไม่ไปทำตามความอยากดื่มกาแฟพอเราไม่ทำตามความอยากดื่มกาแฟเราก็ไม่ต้องไปหากาแฟมาดื่มกาแฟจะมีหรือไม่มีก็จะไม่เป็นปัญหากับเราอีกต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องของการดื่มกาแฟอีกต่อไป พอเราเลิกดื่มกาแฟแล้วนี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้เลิกความอยากว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นของชั่วคราวมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขมันเป็นสุขตอนเริ่มต้นแต่พอสุขนั้นจางหายไปแล้วมันจะมีความทุกข์ตามมาถ้าไม่สามารถทำตามความอยากได้อีกต่อไป แล้วความอยากนี้ก็จะไม่มีวันหมดไปจะอยากไปเรื่อยๆพอได้ดื่มครั้งนี้แล้วก็อยากจะดืม่มครั้งหน้าพอได้ดื่มครั้งหน้าก็อยากจะดืม่มครั้งต่อไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันหมดแล้วก็จะต้องไปทุกตอนที่ไม่มีไม่สามารถจะดื่มได้เช่อนอาจจะมีกาแฟขายอาจจะมีกาแฟซื้อแต่ร่างกายกินไม่ได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย หรือร่างกายตายไปไม่มีร่างกายแล้วแต่ความอยากดื่มกาแฟมันยังไม่หมดมันยังมีอยู่ในใจความอยากนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจเวลาร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากที่มีอยู่ในใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากก็จะฉุดล่างให้ใจนี้ไปหากาแฟดื่มในพบต่อไป ไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันมาแล้วก็จะไปก็จะไปหากาแฟดื่มพอเจอกาแฟก็จะดื่มทันทีมันก็จะทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่ในภพในกามาภพกามาภพก็คือภพของมนุษย์ภพของเทวดาภพของเปรตภพของเบลฉานี่เอง เราก็ยังจะต้องกลับมาเวียนว่าการเกิดอยู่ในภพล่านี้ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราได้ทําไว้ถ้าเราทําบุญเราก็ได้กลับมาเกิดในภพของมนุษย์ภพของเทวดาถ้าเราทําบาปเราก็ต้องไปเกิดในภพของเดรัจฉานในภพของเปรตเพื่อที่จะได้เสพแต่มันจะไม่มีอะไรให้เสพในภพของเดรัจฉาน เดรัฉานนี้ไม่มีกาแฟให้ดื่มนอกจากไปอยู่กับเจ้าของไปอยู่กับมนุษย์ที่ชอบดื่มกาแฟแล้วมีความคิดพิจารณาอยากจะแบ่งกาแฟให้กับเดรัฉ า, านดื่มเท่านั้นถึงจะได้ดื่มกาแฟเช่นคนที่มีหมามีแมวนี้บางทีอาจจะคิดว่าเราชอบดื่มกาแฟหมากับแมวมันก็อาจจะชอบดื่มก็แบ่งกระฟองกาแฟมาให้ดื่มก็ได้ ก็จะได้เด่นกาแฟในในในสภาพนั้นไปชั่วคราวพอตายจากการเป็นเดรัจฉานและได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะหากาแฟดื่มเวลามีโอกาสเวลามีความสามารถนี่คือเรื่องของตัณหามันจะพาให้เราไปหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้อยู่เรื่อยๆ ถ้ามีร่างกายก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือถ้าไม่มีร่างกายก็หาอาหารทิพไปก่อนถ้าหมดอาหารทิพก็กลับมาหาร่างกายได้ร่างกายอันใหม่ก็มาใช้ร่างกายหาสิ่งต่างๆที่อยากได้ใหม่นี่คือเรื่องของสาเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดที่พวกเรากาลังเป็นอยู่ในขณะนี้ แล้วการเกิดแต่ละครั้งมันก็ต้องวุ่นกับความทุกข์ยากลาบากต่างๆต้องทุกข์กับการดิ้นรนต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตเพื่อประครับประคองชีวิตให้อยู่แล้วก็ต้องหาสิ่งต่างๆที่มีที่ความอยากสั่งให้เราหากันก็ต้องดิ้นรนกันะ ว, วันนี้เราดิ้นรนหาเงินหาทองเพื่ออะไรก็เพื่อตอบสนองความอยากต่างๆ เวลาอยากอะไรก็ต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือผู้ที่ต้องการประกาศสงครามกับความอยากจึงต้องเลิกใช้เงินใช้ทองลอกเลิกหาเงินหาทองอย่างลักบวชทั้งหลายนี้เป็นผู้ประกาศสงครามกับข้าศึกศัตรูคือตันหาทั้งสามนี้จะไม่ใช้เงินทองเป็นเครื่องมือของข้าศึกศัตรูต่อไป พอไม่มีเงินทองเป็นเครื่องมือข้าศึกสักตวือก็ต้องอ่อนกำลังลงไปเพราะไม่สามารถาทำตามความอยากได้ความอยากก็จะอ่อนกำลังลงไปก็จะทำให้สามารถที่จะทำให้ใจสงบได้พอใจสงบแล้วพอออกจากความสงบมาก็จะสามารถใช้ปัญญามาสอนใจได้ สอนว่าอย่าทำตามความอยากเพราะสุขที่ได้กับทุกข์ที่ได้นี้มันไม่คุ้มกันมันทุกข์มากกว่าสุขการไม่ทำตามความอยากนี่แหละจะเป็นการสร้างความสุขที่แท้จริงจะทุกข์ตอนต้นทุกตอนที่ต้องต่อสู้กับความอยากแต่ถ้าเรามีจิตที่สงบมีสมาธิมีอุเบกขาจะไม่รู้สึกความทุกข์จะไม่ไม่ดุแลแรง จะไม่หนักหนาสาหาัสเหมือนกับตอนที่เราไม่มีสมาธิเวลาเราไม่มีสมาธินี้เราจะสู้กับความอยากไม่ได้เลยพออยากอะไรแล่านี้อ่อนปวกเปียกไปหมดต้องทาตามความอยากเพีงอย่างเดียวถึงจะหายจากความทุกข์จากความหงุดหงิดนาคาญใจแต่เวลามีสมาธิแล้วนี้ใจมีความอิ่มมีความสุข มีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากได้พอปัญญาสอนด้วยเหตุด้วยผลให้เห็นภัยของการทำตามความอยากก็จะหยุดไม่ทำตามความอยากได้พอไม่ทำตามความอยากได้ต่อไปความอยากก็จะหมดกำลังไปและไม่สามารถมาบังคับให้ใจทำอะไรตามความอยากได้ต่อไปพอไม่มีความอยากแล้วก็จะมีแต่ความสงบ นี่คือชัยชนะที่จะตามมาหลังจากที่เราได้ใช้อาวุธคือได้ใช้ทานศีลภาวนาได้ใช้ศีลสมาธิปัญญาหรือได้ใช้มรรคแปดสมาธิฏิไปจนถึงสัมมาสมาธิเป็นอาวุธว่ายต่อสู้กับความอยากต่างๆถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญามีมรรคแปมีทานศีลภาวนา เราจะมีอาวุธที่เราจะใช้ทําลายฆ่าศึกศัตรูคือความอยากของเราได้นี่แหละคือเรื่องของการปฏิบัติธรรมทําไมเราต้องปฏิบัติธรรมทำไมเราต้องเข้าสู่สมรภูมิของความแก่ความเจ็บความตายของการทัดทขาดจากของรักของเจริญใจของการเผชิญกับสภาพที่ไม่น่าปรารถนาเช่น ออกบวชอย่างนี้ออกบวชนี้ก็เหมือนกับการเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือรับใช้ความอยากต่างๆเป็นเหมือนกับคนแก่เป็นเหมือนกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเหมือนกับคนตายที่ไม่สามารถใช้ร่างกายตอบสนองความอยากได้แล้วหรือการไปอยู่ตามลำพังอยู่คนเดียวอยู่อย่างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายมีความรู้สึกว้าเหว เศร้าสร้อยหงอยเหงาป้าสะจักเพื่อนป้าจะจักสิ่ง ต, งต่างๆที่เคยให้ความสุขกับเราถ้าเรายังไม่ได้เข้าสู่สมอภระพมการปฏิบัติของเราจะไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติอย่างจรงิงจังถ้าเรายังอยู่ท่ามกลางทรัพสมบัติเข้าของเงินทองอยู่ท่ามกลางแสงสีเสียงรู่เสียงกก็บลดปวดทัพะ ของกินของดื่มของรับประทานของใช้อะไรต่างๆมากมายถ้าเรายังไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปทำอะไรต่างๆตามความอยากอยู่อย่างนี้เรายังเรียกว่าเรายังไม่ได้เข้าสู่สมองระพูมแต่ไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องถูกความจริงบังคับให้เราเข้าสู่สมองระพูมเพรเมื่อเรา แต่แล้วเราก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายทําตามความอยากได้หรือเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นเป็นประสบอุบัติเหตุเป็นพิกลพิการเป็นอมพึกเป็นอมภาาไปตอนนั้นก็เป็นเหมือนกับถูกบังคับให้เข้าสู่สมรภูมิแล้วถ้าเราถูกบังคับให้เข้าโดยที่เรายังไม่พร้อมนี่เราจะไม่สามารถต่อสู้กับข่าศึกศัตรูของเราได้ เราก็จะถูกก้าศึกศัตรูเหยียบย่ำทำลายจิตใจให้จิตใจของเรานั้นมีแต่ความทุกข์มีแต่ความทรมานใจจนถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายเคยเห็นคนที่เขาอยากจะฆ่าตัวตายไหก็เพราะว่าเขาไม่สามารถใช้ร่างกายของเขาตอบสนองตันหาความอยากต่างๆของเขาได้เช่นเป็นอมพตกเป็นอมาพาษเป็นโลกร้ โลกเจ็ดโลกที่ร้ายแรงที่ไม่สามารถใช้ร่างกายตอบสนองตัรหาความอยากต่างๆของตนได้ก็ไม่อยากจะอยู่อยากจะตายนี่แหละอยากให้เหตุการณ์มันบังคับให้เราเข้าสู่สมรภูมิเพราะว่าถ้าถึงเวลานั้นเราอาจจะไม่พร้อมเราอาจจะต้องถูกข่าศึกษัตรูเราเหยียบย่ำทำลายเรา เราควรที่จะเตรียมอาวุธไว้เสียตั้งแต่บัดนี้เตรียมทานศีลภาวนาเตรียมศีลสมาธิปัญญาเตรียมมากแปดไว้ให้ความเสียก่อนแล้วก็บังคับตัวเราให้เข้าสู่สมองระภูิเลยอย่าไปรอให้ถูกบังคับเพราะถ้าถูกบังคับนี้แสดงว่าเราไม่พร้อมถ้าเราพร้อมเราไม่ต้อ ง, งไม่ต้องถูกบังคับเราจะอยากเข้าไปเลย พราเราต้องการที่จะยุติสงครามนี้ให้มันหมดสิ้นไปเร็วๆนั่นเองถ้าเรารู้ว่าเราเข้าสงครามแล้วเราชนะเราจะไปรออะไรเราก็ประกาศสงครามเลยอย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศสงครามกับตันหาทั้งสารนี้ต่อไปนี้เราจะไม่ทําตามความอยากทั้งสามนี้แล้วการมาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหา เราจะต่อสู้ต่อต้านในทุกรูปแบบด้วยการสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองสละความสุขทางร่างกายทุกรูปแบบไปหมดไม่ใช้ร่างกายหาความสุขอีกแล้วจะใช้ร่างกายนี้มาสร้างอาวุธไว้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูก็คือใช้ร่างกายนี้มารักษาศีลแปดรักษาศีลสิบรักษาศีลสองิบเจ็ดข้อ มาใช้ร่างกายนี้กับการเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบและเวลาใจสงบแล้วออกจากสมาธิมาก็จะใช้ปัญญาเข้ามาคอยสอนใจให้ต่อต้านให้ต่อสู้กับความอยากไม่ให้ทำตามความอยากด้วยเหตุด้วยผลผลก็คือการทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์มากกว่าการสร้างความสุข มีใครอยากจะสร้างความทุกข์ให้กับเราบ้างแต่ที่เราสร้างความทุกข์ให้กับเราก็เพราะว่าเรามองไม่เห็นความทุกข์นั่นเองเราเห็นแต่ความสุขที่จะได้จากการทำตามความอยากเราก็เลยทำกันพอทำไปแล้วเป็นยังไงก็มาร้องห่มร้องไห้ทีหลังเวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักไปสูญเสียบุคคลที่เรารักไปอยากจะได้แหวนเพชรก็ไปซื้อแหวนเพชรมนาะ พอแหวนเพชรหายไปแล้วรู้สึกอย่างไรดีอกดีใจหรือเสียอกเสียใจถ้าคนฉลาดจะดีใจว่าเออดีจะได้หมดปัญหาไปมีแล้วก็ต้องคอยดูแลคอยรักษาแต่ถ้าเป็นคนไม่ฉลาดคนไม่มีปัญญาก็จะเสียอกเสียใจเป็นเดือดเป็นแค้นขึ้นมาบางทีอาจจะไปกล่าวโทษกับคนนั่นคนนี้ก็ได้ พอสงสัยคิดว่าเขาเป็นคนเอาของเราไปแล้วก็ไปสร้างเวรสร้างกรรมกันเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาอีกอันนี้มองไม่เห็นกันมองไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเห็นแต่ความสุขว่าได้แหวนเพชรมาแล้วจะมีความสุขเวลาใส่ไปคนนั้นเห็นคนนี้เห็นนะเขาจะชื่นชมยินดีมีความเคารพนับถือ ถือเนะเห็นวนะ่าเราเป็นคนมีฐานะดีดีทรัพมีสมบัติเนี่จะคิดแบบนั้นกันแต่จะไม่คิดว่าเวลาที่ต้องสูญเสียมันไปแล้วเราจะเอาหน้าเอาตาเราไว้ที่ไหนเราเคยไปไหนเราเคยใส่แหวนเพชรสร้อยเพชรพอเราตกทุกข์ได้ยากต้องขายเพชรขายอะไรไปหมดทีนี้เราเข้าสังคมเราไม่มีอะไรใส่แล้วเราจะทำอย่างไรเราก็ไม่อยากจะเข้าสังคม เราไม่อยากจะอับอายขายหน้าหรือไม่อย่างนั้นเราก็ต้องใช้ของปลอมซื้อของปลอมใส่เพื่อจะรักษาหน้ารักษาตาไว้แต่ภายในใจก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจเดี๋ยวมีคนเข้าทักขึ้นมาก็จะโกรธจะเสียใจขึ้นมาอีกอนี่คุณใส่ของปลอมนี่ผมก็พูดแค่นี้เราก็เสียใจแะไม่สบายใจนี่คือความทุกข์ทั้งหลายที่เรามองไม่เห็นกัน จากการที่เราอยากได้สิ่งนั้นสรกนี้สิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตพอถูกเข้ปลดแล้วเป็นอย่างไรเคยเป็นนายกแล้วตอนนี้ถูกเข้ปลดแล้วไม่เป็นนายกแล้วรู้สึกอย่างไรตอนนี้เป็นนัดโทษถูกเขาคุมขังอยู่ในบ้านนี่เป็นอย่างไรมีความสุขหรือมีความทุกข์พวกเรานี่ไม่ได้เป็นนายกเราเดือดร้อนหตอนนี้นั่นแหละคือ สิ่งที่เรามองไม่เห็นกันเรามองไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นนี้มันมีความทุกข์ตามมาเพราะมันมีวันเสื่อมมันมีวันหมดไปมันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงมันถึงเป็นทุกข์ไงท่านถึงบอกให้พิจารณาทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะว่าได้อะไรมาแล้วสักวันหนึ่งมันจะต้องเสื่อมจากเราไปพอมันเสื่อมจากเราไปเราก็จะทุกข์ขึ้นมา ขณะที่ไม่เสื่อมก็ทุกข์แล้วเพียงแต่คิดว่าจะต้องเสียจะต้องสูญเสียไปก็ไม่สบายใจแล้วทุกข์ใจแล้วเพราะอะไรเพราะว่าของเหล่านี้เป็นอนัตตาคือไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นสมบัติชั่วคราวเป็นสมบัติผัดกันชมเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกับสมบัติเหล่านี้ของเหล่านี้สมบัติที่แท้จริงสมบัติที่ถาวรของเรามีอยู่เราไม่เอากันก็คือชัยชนะ ที่ไดจากการฆ่าศึกฆ่าฆ่าศึกักตรูของพวกเราถ้าเราสามารถค่าตัณหาทั้งสามบทได้เราจะได้สมบัติที่ไม่มีใครจะมาแย่งจากเราไปได้คือใจที่มีความสงบเนี่แหละใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันต์เป็นอย่างนี้ใจที่ไม่มีความอยากมีแต่ปรมังมสุขขังมีความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบก็คือปรมังมสุ ข, ขัง นิบานังปรมังสุขขังนี้เองสุขเพราะอะไรเพราะว่านิบานังปรมังสุญญงสุขเพราะว่าไม่มีอะไรนี่แหละคือความสุขแท้เมื่อเราไม่มีเมื่อเรามีความสุขกับการไม่มีอะไรแล้วเราจะไปสูญเสียอะไรได้ความสุขนี้มันจะหายไปได้ยังไงเพราะความสุขนี้มันไม่ได้ตั้งอยู่กับสิ่งใดทั้งนั้นมันตั้งอยู่กับความว่างความไม่มีอะไรความไม่มีความอยากนี่อันนี้แหละคือความสุขแท้ ถ้าเราอยากจะได้ใช้ชนะได้ความสุขแทนนี้เราต้องฆ่าทำลายฆ่าศึกษัตรูคือความอยากทั้งสามนี้ให้ได้คือการมะตัญหาภาวะตัญหาและวิภะวะตันหาเครื่องมือที่จะใช้ในการฆ่าฆ่าศึกษัตรูทั้งสามนี้ก็คือมรรทีพระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งทรงสอนในหลายลักษณะบางครั้งก็ทรงสอนเป็นมรรติ บางครั้งก็สอนเป็นศีลสมาธิปัญญาบางครั้งก็สอนทานศีลภาวนาอยู่ขึ้นอยู่กับคนฟังว่าเป็นคนระดับไหนถ้าเป็นคารวะญาติโยมก็สอนทานศีลภาวนาเพราะคารวะญาติโยมยังมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่จะต้องสละไปอยู่ถ้าสอนกับนัก บ, บวชที่ไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองท่านก็ไม่สอนเรื่องทานท่านสอนเรื่องศีลเรื่องภาวนา ภาวนาก็คือสมาธิและปัญญานี่นี่คือความแตกต่างของมัทที่ส่งสอนกับบุคคลที่มีความแตกต่างกันถ้าเป็นผู้คลองเรือนผู้ยังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ต้องสอนให้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก่อนที่จะเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาได้สําหรับผู้ที่เป็นนักบวชแล้วเป็นผู้ได้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ส่งสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาเลย ที่เป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการต่อสู้ในการฆ่าฆ่าศึกศัตรูคือตันหาทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจถ้าพวกเราสามารถเผยอาวุธคือมัคเครื่องมือที่พระเจ้าทรงมอบให้กับพวกเราได้พวกเราก็จะสามารถฆ่าศึกฆ่าฆ่าศึกศัตรูทั้งหลายให้หมดไปได้ถ้าเราฆ่าได้แล้วเราก็จะได้ชัยชนะ ใจชนะก็คือความสมบสุขของใจที่เรียกว่าปรมังสุขขังนี่เองดังนั้นขอให้พวกเราเตรียมตัวเข้าสมองภูมิกันอย่าถูกบังคับให้เข้าเพราะเวลาถูกบังคับนี่มันไม่ทําการเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวมาไว้ก่อนเช่นคนบางคนนี่พอไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคอะเรหรือว่าสามเดือนเอานั่นก็เข้าวัดกัน เข้าวัดแบบทุลักทุเลเพราะเข้าแบบไม่มีอาวุธเข้าสงคามแบบไม่มีอาวุธครบมืออาจจะมีบางบางชิ้นบางอันแต่ไม่ครบจะเข้าแบบนั้นจะลำบากขอให้เราเข้าตอนที่เรามีอาวุธครบมือก็คือเราต้องเตรียมสร้างอาวุธให้เกิดขึ้นเสียมาตั้งแต่ปัจจุบนพยายามทำทานให้มากขึ้นไปเรื่อยๆพยายามรักษาศีลแปดให้ได้พยายามภาวนาให้ได้ พอเราทำทั้งสามส่วนนี้ได้แล้วเราก็พร้อมที่จะประกาศสงครามกับข้าศึกศัตรูของเราได้เราไปอยู่วัดได้เลยไปปีกวิเวกอยู่ทีละาสามวันเจ็ดวันสิบวันอยู่ที่เดือนหนึ่งสองเดือนหรืออยู่ไปตลอดเลยก็ได้ถ้าเรามีความแนว่วแ น, แน่มั่นคงมีความมั่นใจในอาวุธที่เรามีอยู่ว่าสามารถทำลายข้าศึกศัตรูของเราได้ เราจะไม่ขวัญไหวเราจะไม่กลัวเพราะเราจะรู้ว่าเราจะไม่มีความทุกข์ความทุกข์เกิดจากฆ่าศัตรูของเราเองคือตันหาความอยากแต่ถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีอาวุธไว้ทําลายฆ่าศัตรูความทุกข์มันจะไม่เกิดเลยผู้ปฏิบัติธรรมที่มีทานศีลภาวนานี้จะไม่ค่อยทุกข์กับการปฏิบัตินี่หละคือสิ่งที่เราควรที่จะ เอาเวลาอันมีค่าของเราในขณะนี้มาใช้กันอย่าเอาไปรับใช้กิเลสตัณหาด้วยการทำตามความอยากต่างๆเอามารับใช้การสร้างอาวุธนี้ดีกว่าเอามาใช้กับการทำทานเอามาใช้กับการรักษาศีลเอามาใช้กับการภาวนาพอเรามีทานศีลภาวนาแล้วเราก็สามารถประกาศสงครามได้เลยว่าต่อไปนี้ จะสู้กับความอยากทุกลูปแบบแล้วเราก็จะสู้ได้แล้วเราก็จะชนะได้เพราะเรามีอาวุธที่เราจะทำลายฆ่าศึกศัตรูของเราได้นั่นเองนี่แหละคือเรื่องของการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นนี้ก็เป็นเหมือนกับการเตรียมอาวุธไว้นั่นเองเตรียมทานเตรียมเสียงเตรียมภาวนาไว้พอเรามีอาวุธครบมพร้อมที่จะใช้ได้เต็มเต็มที่แล้ว เราก็ประกาศสงฆามเลยมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเท่าไรก็ยกให้คนอื่นไปเลยออกไปบวชกันบวชเป็นผ้าบวชเป็นชีกันแล้วก็รักษาศีลสิบรักษาศีลแปดรักษาศีลสองรอยี่บเจ็ดกันแล้วก็เจริญสติสมาธิปัญญาตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่แหละคือการเข้าสู่สมรลภูมิของชีวิตโดยที่ไม่ต้องรอให้ถูกบังคับ ไม่ใช่ก็เร็วพวกเราทุกคนจะต้องถูกบังคับให้เข้าสู่สมรรถภูมินี้ถ้าเราไม่มีอาวุธเวลาเราเข้าไปเราจะแพ้เราจะทุกข์เราจะต้องเป็นทาสของความอยากไปอีกความอยากจะลากเราไปเกิดใหม่อีกากเราไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่อีกไม่รู้กี่รอบรอบนี้เป็นรอบที่ดีรอบที่ประเสริฐเพราะว่าเรามีโอกาสได้สร้างอาวุธ ก็มีคนที่สร้างอาวุธมาสอนเราก็คือพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวุกทั้งหลายถ้าเราไปเกิดในรอบหน้าเราอาจจะไม่ได้เจอกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีคนสอนให้เราสร้างอาวุธไว้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเราก็จะต้องเป็นทาสของข้าศึกศัตรูไปอีกไม่รู้จักกี่ภพกี่ชาติด้วยกันจนกว่าจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นรอบนี้เป็นรอบที่ สำคัญมากเป็นโอกาสอันวิเศษมากที่เราสามารถที่จะสร้างอาวุธขึ้นมาและทำลาย่าศึกจับตูประกาศการเป็นอิสระภาพของเราได้ถ้าเราไม่ทําก็ช่วยไม่ได้ไม่มีใครจะทาให้เราได้เราต้องเป็นผู้กระทาเองอัตตาหิอั ต, ตนโนนาถขอให้เราพยายามนาเอามาพิจารณาบ่อย ิดถึงสมอระภูมลบที่จะต้องถูกบังคับให้เข้าไปไม่ช้าก็เร็วก็คือให้ระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากบุคคลจากสิ่งที่เรารักที่เราชอบไปการจะต้องไปประสบกับสิ่งที่เราไม่รักเราไม่ชอบมันจะกระตุ้นให้เราต้องเตรียมอาวุธไว้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูพอเราเตรียมอาวุธแล้วทีนี้เราก็จะไม่หวั่นไหวแล้วจะเข้าสู่สมอรูมเมื่อไหร่ก็ได้ เข้าตอนนี้ก็ได้หรือจะรอให้ถึงเวลานั้นถึงเวลาบาังคับให้เข้าก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเรารู้ว่าเราจะชนะแล้วเราจะเราจะไปรออะไรให้เสียเวลาถ้าเรารู้ว่าเราสามารถทำลายข้าศึกจตูของเราได้ในวันนี้เราจะไปรอวันหน้าทาไมนี่แหละคือเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่พวกเรามาศึกษาและมาปฏิบัติกันขอให้ท่านได้นำมาไป พ, พิจารณา และปฏิบัติให้ได้เถิดแล้วเราจะได้ชัยชนะเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร อ, อยาถาวาเรวะหาปุราปะเรกุเรนติสาการัง เอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสัมมชาตุสัเพตุเรนตุสังกปาจันโทปัญะระโสยธามณิโชติอะระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจนตุสัพพโรโควินัสสตุ มาเตภวัตวันตรยโยสุขีทีคายยโกภาลาภิวาทนสีลิธะนิจังวุธาปจายโนจตาโรธรมาวทานติอายุวโนสุขังภาลาง พวกหนังสือซีดีที่ญาติโยมรับไปนี้ขออย่าเอาไปบูชาไว้บนทิ่งนะขอให้ปฏิบัติบูชาคือเอาไปอ่านเอาไปฟังนะถึงจะบูชาอย่างถูกต้องถ้าจะเอาไปตั้งไว้บนทิ่งไว้ไว้หัวนอนแล้วก็กราบตอนนอนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่ใช่เป็นเครื่องรางของขลังธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นความรู้ ความรู้ที่เราจะต้องน้อมเข้ามาในใจของเราด้วยการอ่านด้วยการฟังถ้าเราอ่านเราฟังแล้วมันก็จะเข้ามาสู่ใจของเราพออยู่ในใจแล้ ว, ลวทีนี้จะมีหนังสือมีซีดีหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาแนละ้วเพราะเรามีความรู้อยู่ในใจของเราเรามีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจของเราที่ไม่มีใครสามารถทำลายได้พระพุทธศาสนาภายนอกนี้ เขาทำลายได้เขาระเบิดพระพุทธรูปได้เขาทำลายโบททำลายเจดีย์ได้แต่เขาไม่สามารถทำลายธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเอาเข้าสู่ใจของเราดัางั้นขอให้เราเอาเข้าสู่ใจของเราให้ได้แล้วต่อไปหนังสือจะขาดหรือแผ่นมันจะเสียก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่การจะให้มันเข้าได้อย่างถาวรต้องเข้าด้วยการอ่านและการปฏิบัติทั้งสองอย่าง อ่านอย่างเดียวนี้ยังไม่พอเพราะว่ามันลืมได้อ่านไปสักพักหนึ่งถ้าเราไม่อ่านซ้ำอกีกเดี๋ยวเราก็ลืมแต่ถ้าเราอ่านแล้วนำมาไปปฏิบัติจนเกิดผลขึ้นมามันจะไม่ลืมไปจนวันตายมันจะไม่ลืมไปกี่ภพกี่ชาติมันก็จะไม่ลืมอย่างพระโสดาบันนี่พอท่านมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจ ส, สีแล้วนี่ท่านจะไม่มีวันลืมจิตของท่านจึงไม่มีวันเสือ่อม จิตของท่านมีแต่จะเจริญก้าวหน้าต่อไปโดยที่ไม่ต้องมีพระพุทธศาสนาอยู่ภายนอกมาคอยสอนเพราะท่านมีแก่นของศาสนาอยู่ในใจแล้วคือมีอริยสัจสีแล้วอริยสัจสีนี้แหละที่เป็นเครื่องมือเป็นมรรคที่จะพาให้เราก้าวสู่อริยธรรมขั้นต่างๆจากขั้นโสดาบันสู่ขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามี และขั้นอาหารหันไปตามลําดับเนี่ยภพชาติของพระโสดาบันจะงมีไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเกิดใหม่กลับมาจะมีพระพุทธศาสนาหรือไม่แต่ในใจของท่านมีศาสนาพุทธอยู่ในใจแล้วคืออริยสัจสี่ท่านจะไม่มีวันลืมต่อให้ตายไปกี่พบ ก, กี่ชาติอริยสัจสีในใจของท่านนี้จะอยู่กับท่านไปตลอดเพราะมันไม่ใช่เป็นความจํามันเป็นความจริง ความจำนี่ลืมได้แต่ความจริงนี่ลืมไม่ได้เพราะมันสัมผัสด้วยใจสัมผัสด้วยความทุกข์แล้วเห็นความทุกข์นี้เกิดจากการหาความอยากแล้วเห็นความทุกขุนี้ดับไปด้วยมรรคคือสติปัญญาศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่เห็นอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าไม่ต้องอ่านหนังสืออีกต่อไปไม่ต้องฟังซีดีของใครต่อไปก็ได้แต่ถ้าฟังมันก็จะทําให้เราเก้าวขึ้นไปได้เร็วขึ้น ถ้าไม่มีครูบาจะไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนเราสมมุติเราเป็นโสดาบันในชาตินี้แล้วเราตายไปชาติหน้าเรากลับมาเป็นมนุษย์เราก็ปฏิบัติของเราเองไปโดยต้องไม่มีใครสอนเพราะเรารู้ปัญหาของเราอยู่ที่ตัณหาความอยากเราจะไม่ทําตามความอยากเราจะต่อสู้กับความอยากไปเรื่อยๆเราชนะความอยากได้มากน้อยเราก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดความอยากทั้งหลายก็จะหมดไปจากใจ เราก็จะไปถึงพระนิพพานได้ภายในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากอย่างนั้นขอให้พวกเราเอาหนังสือซีดีที่เราไปนี้ไปบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาหรืออ่านอ่านแล้วก็นํอาออกไปปฏิบัติปฏิบัติเพื่อให้เกิดมีดวงตาเห็นธรรมให้เห็นอริยสัจสี่ปรากฏขึ้นมาภายในใจของเราให้ได้จะเห็นก็ต้องเข้าสู่สมรลภุมิลบเท่านั้นพราถึงจะเห็นของจริง จะต้องอยู่แบบคนแก่อยู่แบบคนใจอยู่แบบคนตายให้ได้คืออยู่แบบไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งอีกต่อไปใช้ธรรมะอย่างเดียวใช้ธรรมะคือใช้มรรคใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นที่พึ่งแล้วรับรองได้ว่าเราจะเห็นธรรมอย่างแน่นอนอต่อไปนี้ก็จะเปิดโอกาสถ้าใครอยากจะถามปัญหาอะไรก็ได้ที่คล่องอยู่ในใจา อาจารย์ครับอยากจะสอถามครับอาจารย์วันนี้อว่าเราควรจะเาส่สานสางรึยังวมียาเาไม่ออกใจสีแล้วก็สมาธิเช่ครับเราต้องปัญญาไอตัวสีกับตัวตัวสมาธินี่เราเราสุดั้ปฏิบัติได้แต่กระผมไม่เข้าใจว่าถ้าเราัญญาเนี่ยเราจะสุกหั้เทียเขาจะมเปัญญาได้ยังไงครับ ถ้ามันมีเนื่อนไขอะไรที่ตัดขาดกับตัวสมาธิเลยเขาก็จะตัดสมาธิมันจะป้องหยุดระัไหนถึงจะสามารถใช้ปัญญาตรงนี้ได้ครับคือสมาธินี้จะหยุดในระดับไหนก็สามารถลองรับปัญญาในระดับของสมาธินั้นได้สมาธิขั้นต่ำก็สามารถลองรับปัญญาขั้นต่ำสมาธิขั้นกลางสมาธิขั้นสูงก็จะสามารถลองรับปัญญา ขั้นกลางขั้นสูงไปตามลำดับได้คือถ้าเราปฏิบัติสมมติว่าเรานั่งสมาธิแล้วจิตสงบอาจจะสงบ10นาที20สบนาทีาทหรือะไหรือไม่ถึงนั่นก็ไม่เป็นไรพอออกมาถ้าเราอยากจะเจริญปัญญาก็ให้พิจารณาตายรักตายรักก็คือแหล่งเกิดของปัญญาตายักคืออะไรคืออนิจจังทุกขังอนัตตา คือให้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยว่าเป็นไตรลักษณ์เช่นถ้าเรายังเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่เราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้เป็นไตรลักษณ์คือเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเวลาเสียไปสูญไปเราจะทุกข์มากอนิจจังทุกขขังอนัตตาก็คือเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้จะสั่งให้เขาอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ เพราะเขาไม่ใช่เป็นของเรานี่คือให้มองให้เห็นสิ่งต่างๆที่เรายังมีความรักมีความหวงอยู่สิ่งที่เรายังยึดติดอยู่เราต้องพิจารณาสิ่งนั้นให้เห็นว่าเป็นตายรักพอเห็นว่าเป็นตายรักเราก็จะได้ไม่อยากได้แล้วก็จะไม่ไม่คิดที่จะอาศัยเขาเป็นที่พึ่งอีกต่อไปตอนนี้เรายังพึ่งเงินทองอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเราสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเงินทอง ก็ได้เช่นนักบวชทั้งหลายเขาก็ไม่มีเงินทองทําไมเขาอยู่ได้เพราะเขาเห็นตายรักษในเงินทองเขาจึงสละเงินทองแล้วเขาก็ไปบวชกันแล้วใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งของใจแทนที่จะใช้เงินทองเป็นที่พึ่งธรรมะก็คือปัญญานี้เองถ้าเราเห็นตายรักณเราก็ไม่ต้องเราก็จะไม่พึ่งเงินทองพอเราไม่พึ่งเงินทองเราก็ไม่ทุกข์กับเรื่องเงินทอง นี่คือปัญญาปัญญามีไว้เพื่อตัดความอยากตัดความยึดติดในสิ่งต่างๆให้เห็นว่าสิ่งที่เรายึดติดนี้เป็นโทษเป็นทุกข์กับเราไม่ใช่เป็นคุณไม่ได้เป็นสุขกับเราดัางนั้นเวลาเราออกจากสมาธิมานี่เราสามารถพิจารณาได้เลยถ้าเราสามารถพิจารณาเป็นคนบางคนคิดไม่เป็นคิดด้วยเหตุด้วยผลไม่เป็นเพอของพวกนี้บางทีมันต้องมองเปรียบเทียบ มองขณะปัจจุบันและมองขณะอนาคตปัจจุบันเป็นอย่างนี้อนาคตจะเป็นอย่างนั้นเวลาเป็นเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะทำอย่างไรเช่นวันนี้เรามีเงินทองพรุ่งนี้เราไม่มีเราจะทำอย่างไรนี่คือการพิจารณาเพื่อให้เราเห็นโทษของสิ่งที่เราอยากได้อยากมีหรือยึดติดอยู่เพื่อเราจะได้เลิกไปยึดไปติดเรามาหาสิ่งที่เราสามารถพึ่งได้อย่างแท้จริง ก็คือศีลสมาธิปัญญานี้ถ้าเรามีความสงบแล้วใจเราจะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรเพราะเวลาสงบนี้ความอยากมันหายไปชั่วคราวทำให้เราไม่เดือดร้อนมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่พอออกจากความสงบมาเนี่เดี๋ยวมันเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาได้ตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญามาสกัดมันถ้าเกิดความอยากขึ้นมา ถ้าไม่เกิดความอยากก็ให้คิดไว้ล่วงหน้าก่อนเผื่อไว้ก่อนเผื่อเวลาเกิดความอยากจะได้หยุดมันได้นี่คือเรื่องของปัญญาจะพิจารณาได้มากได้น้อยจะมีกำลังตัดมันได้มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับสมาธิและปัญญาแต่ละระดับบางทีตัดได้นิดเดียวตัดไม่ได้มากหรือตัดของบางอย่างได้ของที่เราไม่รักมากก็ตัดง่ายหน่อยของที่เรารักมากหวงมากก็จะตัดยากหน่อย เช่นเราตัดสมบัติได้แต่เราอาจจะตัดอวัยวะไม่ได้เรนอาจจะตัดอวัยวะได้แต่เราอาจจะตัดชีวิตไม่ได้อย่างที่พระเจ้าสอนว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมธรรมก็คือใจนี่คือความสงบความไม่มีความทุกข์ของใจเรียกว่าธรรมดังนั้นเราต้อง พิจารณาสิ่งที่เรารักเราหวงสิ่งที่เรายึดติดเป็นที่พึ่งของเราว่ามันไม่ใช่เป็นที่พึ่งจริงเป็นที่พึ่งปลอมเราควรที่จะเลิกพึ่งมันแล้วเช่นคนที่พึ่งสุราก็เลิกดื่มให้ได้พึ่งซุปพึ่งบุหรี่ก็เลิกสูบให้ได้พึ่งละครก็เลิกดูให้ได้พึ่งการช้อปปิ้งก็เลิกช้อปให้ได้พึ่งการไปเที่ยวก็ต้องเลิกให้ได้ต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์ มันเป็นความสุขเหลือเดียวเวลาได้เที่ยวก็มีความสุขพอกลับมาบ้านก็เหมือนเดิมกลับมาบ้านก็ ว, าว้าเหว่เศาซ้อยห้อยเหงาอยากจะออกไปเที่ยวใหม่เวลาไม่ออกไปไม่ได้จะทําทอย่างไรเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยและเวลาไม่มีเงินทองที่จะออกไปเที่ยวมันก็จะมีแต่ความหงุดหงิดลำคางใจแต่ถ้าเรามีสมาธิมีปัญญาเราจะสบายจะสงบจะมีความสุข นั่นนะครับเราต้องพยายามสร้างสติสมาธิปัญญาขึ้นมาให้มากๆแล้วเวลาเกิดความอยากเราก็จะหยุดมันได้เวลาสูญเสียอะไรไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆภายน่อาอีกแล้วเพราะเรามีที่พึ่งที่แท้จริงก็คือธรรมะธรรมังสวราังกระถามีนี้เองที่เกิดจากการปฏิบัติของเรา ดังนั้นถ้าถ้าถ้าถ้านั่งสมาธิได้พอออกจากสมาธิมาก็ให้พิจารณาตายรักกับของที่เรารักของที่เราชอบของที่เราหวงว่าสักวันหนึ่งของเหล่านี้จะต้องจากเราไปถ้าเราไม่พร้อมที่จะปล่อยเวลาเขาจากเราไปเราจะทุกข์มากมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็จ ะ, จะมีทางอินเทอร์เนต็ตเข้ามา ครับต่อไปเป็นคําถามจากทาง f เฟซบ o ๊กพระอาจารย์สุชาติภิชาโตนะครับคําถามแรกจากคุณปลาดาวบินได้นะครับเป็นคําถามต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วเกี่ยวกับการเดินจงกรมนะครับเดินจงกรมเอามือควยหลังได้หรือไม่การเดินจงกรมนี่ก็เป็นการปฏิบัติบูชา เวลาที่เราทําการบูชาเราก็ต้องมีกิริยาที่อ่อนน้อมเรียบร้อยสํารวมการเดินเอามือควายหลังนี่เป็นกิริยาของคนที่ไม่มีความเคารพคือเป็นของผู้หลักผู้ใหญ่ของคนที่ไม่ต้องแสดงความความเคารพคนที่ต้องแสดงความเคารพนี่จะต้องเอามือวางไว้ข้างหน้าขวามือขวาทับมือซ้ายวางไว้ตรงระดับเอว อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นกิริยาการของผู้ที่มี ม, มีความเคารพการการเดินจงกรมนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติบูบชาเราจึงควรมีกิริยาการของผู้ที่มีความเคารพงนั้นการเดินขวหลังนี้มันจะดูแล้วไม่สวยงามในสายตาของผู้อื่นแต่มันไม่ขัดกับการเจริญสติหรือสมาธิแต่อย่างใด มันขึ้นอยู่กับอาจจะขึ้นอยู่กับการละเทวสะก็ได้ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นเราจะเดินแบบไหนก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่ถ้าเราอยู่ในที่สาธารนณะมีคนที่เขาเห็นได้หรือเทวดาเห็นได้เราก็อาจจะอายเทวดาก็ได้ก็ควรจะมีกิริยาการที่แสดงความเขารบไว้คำถามข้อต่อไปจากคุณจีรันธนินนะครับ ภาระหน้าที่ในชีวิตประจำวันมีมากมีเรื่องต้องคิดตลอดเวลาหลังจากลูกเข้านอนแล้วสวดมนต์นั่งสมาธิท้ายสุดบริการแบบอาณาปานาสติทำได้แบบเดียวทาได้แบบเดียวสติหลุดเลยเพราะมีแต่เรื่องวุ่นวายใจเข้ามาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกษิจความม่วงนอนเข้ามาพร้อมๆกันแก้ไขอย่างไรดี ก็ต้องหาวิธีออกจากการคองเรือนให้ได้เท่านั้นมีสามีมีภรรยาก็เลิกลากันไปมีลูกก็ยกให้คนอื่นไปเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพอพุทธเจ้าพอได้ยินว่ามีลูกก็ไปเลยบอกบวงมาแล้วถ้าอยู่กับลูกก็ไม่มีวันที่จะออกไปได้เพราะมีภารกิจถามคุณต่อแอดมินดูก็ได้ <laughs> <laughs> ครับคำถามข้อต่อไปจากคุณสุกัญญานะครับในการปฏิบัติในชั้นละเอียดสิ่งที่พบขณะนี้คือตัณหาและความจงใจไปคิดวงเล็บมนโนสันเจตนารู้สึกว่าแพ้ราบคาบทุกทีอยากให้ท่านช่วยกรุณาณแนะนำเพราะเราไม่ควบคุมความคิดของเรา่ย เราต้องควบคุมความคิดในเบื้องต้นต้องหยุดความคิดให้ได้พอหยุดได้แล้วขั้นต่อไปเราก็จะสั่งให้คิดไปในทางที่ถูกที่ควรได้เหมือนกับเราขับรถเราขับรถไปผิดทางเนี้ยถ้าเราจะกลับรถเราก็ต้องจอดรถก่อนหยุดรถก่อนหยุดแล้วเราก็ยูเทิร์นกลับขลับไปให้ถูกทางตอนนี้ความคิดของเราคิดไปในทางไม่ดีคิดไปในทางกิเลสตัณหาคิดไปในเรื่องไม่ไ ม, ไม่ไม่พึงคิดเนี่ เราก็ต้องหยุดความคิดเหล่านี้ให้ได้การจะหยุดความคิดเหล่านี้ก็ต้องใช้สติในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งการบริกรรมพุทโธก็เป็นการหยุดความคิดได้การจดจ่อดูการกระทราําการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายอยู่ตลอดเวลาก็จะหยุดความคิดได้แล้วแต่เราจะถ น, นัดจะใช้แบบไหนก็ขอให้ใช้หยุดความคิดให้ได้ก่อนถ้าเราหยุดความคิดได้แล้วเราก็จะสั่งให้คิดไปในทางนั้นทางนี้ได้ หรือว่าเวลาที่เราคิดไปในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องเราก็จะหยุดกันได้แล้วก็ดึงมาคิดในทางที่ถูกที่ต้องได้ดังนั้นการเจริญสตินี้เป็นปัจจัยที่สําคัญมากที่สุดในการปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของจิตเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเพราะสติ ค, คือเบรกของความคิดนี่เองถ้ารถยนต์ไม่มีเบรกนี้เรากล้าจะขับออกไปข้างนอกบ้านไหมถ้าเรารู้ว่ารถเบรกไม่มีหรือเบรกมันเสีย ขับขับออกไปเดี๋ยวก็ต้องชนแน่ๆเพราะเราหยุดเป็นไม่ได้ชั้นใดใจของเราก็เหมือนรถยนต์ความคิดของเรานี่เป็นเหมือนรถยนต์ถ้าเราหยุดความคิดของเราไม่ได้แล้วอะไรเกิดขึ้นก็มักจะเกิดปัญหาเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเกิดการทะเลาะวิวาะเกิดการกระทํารอะไต่างๆที่เกิดเกิดความเสียหายทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติพอเราคิดไม่ดีเราก็หยุดได้ แล้วให้คิดไปในทางที่ดีแล้วใจเราก็จะหายจากจากร้อนมาเป็นเย็นได้เช่นเวลาเราโกรธใครเราก็ให้อภัยก็เสียถือว่าเหมือนดิ้นกับฟันกนเราอยู่ด้วยกันมันก็มีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันอยู่ในโลกนี้จะไปให้คนเขาทำให้เราถูก อ, อกถูกใจไปทุกอย่างนี่ย่อมเป็นไปไม่ได้ย่อมมีบางครั้งบางเวลาที่เขาต้องทำอะไรที่ไม่ถูก อ, อกถูกใจด เราก็อย่าไปถือสาเสียเราก็จะไม่โกรธหายโกรธได้ใจร้อนก็จะกลับเย็นได้นี่ก็ต้องมีความสามารถที่จะบังคับให้คิดไปในทางนี้ให้ได้ส่วนใหญ่พอเราโกรธแล้วเราจะไม่คิดอย่างนี้กันเราคิดจะไปทำร้ายเขาเลยคิดไปว่าเขาไปด่าเขาถ้าถ้าด่าไม่พอยังไม่ไม่ถึงแก่ใจไม่พอใจก็ทุบตีกันเลย นี่เพราะว่าเราไม่สามารถหยุดความคิดได้เราไม่มีเปลงดังนั้นขอรให้เราพยายามเห็นความสำคัญของการมีสติให้มากพยายามฝึกเจริญสติที่เราสามารถฝึกได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ว่าเราจะทำอะไรเราสามารถควบคุมความคิดได้ถ้าเราฝึกท่องพุโทโธไปก็ได้ถ้าเราไม่จาเป็นจะต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับการกระทาของเรา เช่นเวลาเราอาบน้าอาบท่าล้างหน้าล้างตาแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวนี่เราก็พุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะหยุดพุทโธก็ต่อเมื่อเราต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับงานการจริงๆเท่านั้นตอนนั้นเราก็หยุดได้พอไม่ต้องใช้ความคิดเราเริ่มเราใจเริ่มไปคิดไม่ดีคิดคิดว่าคนนั้นคิดว่าคนนี้คิดเอจฉาหริษยสกับคนนั้นคนนี้ก็ ใช้พุโทโธหยุดมันต่อไปเราจะมีเบรกหยุดความคิดต่างๆที่ไม่ดีได้แล้วเราจะสามารถสั่งให้จิตคิดไปในทางที่ดีได้พอจิตเราคิดไปในทางที่ดีเราก็จะพูดดีทำดีแล้วผลดีต่างๆก็จะเกิดตามมาคาถามข้อต่อไปจะคุณจินตนานะครับพยายามตั้งสติอยู่กับพุโทโธดูว่ามันจะสงบยังไง ได้แค่รับเดียวแล้วจะตกใจค่ะจะแก้ด้วยวิธีใดเพื่อให้สงบนานๆก็ให้พุทโธต่อไปพอพอตกใจแล้วมันก็ผ่านไปแล้วก็พุทโธต่อไปใหม่ๆก็เป็นเหมือนมาตื่นสนามพอมีอะไรแปลกขึ้นมาก็จะตกใจกันแต่ถ้าเราปฏิบัติไปบ่อยๆแล้วเราก็จะชินกับปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นมาภายในใจ เราจะรู้ว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปเหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องอย่างนี้เองเราไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจเพราะว่าไม่มีภัยอันตรายต่อจิตใจกับของเราขอให้เราทำต่อคือภาวันบริกรรมพุทโธต่อไปการไม่บริกรรมนี้ต่างหากที่เป็นโทษเป็นภัยกับเราการบริกรรมพุทโธนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราดังนั้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่เราบริกรรมพุทโธ ก็อย่าไปสนใจรับรู้แล้วก็ปล่อยวางแล้วก็กลับมาบริกรรมพุทธโธต่อไปจะเห็นภาพเห็นอะไรจะได้กลิ่นได้อะไรรู้สึกมีความรู้สึกอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจขอให้คิดว่าเป็นเหมือนฝนตกฟ้าแลบฟ้าร้องเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ไปยุ่งกับเขาได้คือปล่อยวางได้ด้วยการเกาะติดอยู่กับการบริกรรมพุทธโธของเราไปเรื่อยๆ จนกว่าใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างแล้วการบริกรรมพุโทโธก็จะหยุดไปเองเราได้ถึงจุดหมายปลายทางของการภาวนาแล้วคือความว่างความสงบความสุขความเป็นอุเบกขาข้อที่สองนะครับเวลาสติตั้งอยู่กับจิตอยากให้มันสงบมันกัดสอนกันเวลาจิตคิดไปที่ใดปุ๊บสติมันจะสอนทันที เช่นคิดเห็นหน้าตัวเองมันก็จะบอกว่าดูดีๆสิมันใช่ของตัวเองไหมเป็นอยู่อย่างนั้นเกือบชั่วโมงแต่มันไปตอบไม่เป็นเจ้าค่ะทำยังไงดีเพราะเราไม่กลับมาพุโทโธนแเราถูกความคิดมันหลอกให้เราไปคิดไปคุยกับตัวเราเองคิดไปคิดมามันก็ไม่มีวันที่จะสงบได้เพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนานี่ยก็ให้เกาะติดอยู่กับพุโทโธอย่างเดียว อย่าไปสนใจกับความคิดต่างๆที่จะมาหลอกมาล่อมาชวนให้เราตอบโต้ด้วยมาสนทนากับเราเหมือนกับเรานั่งสมาธิเวลาโทรศัพท์ดังเราก็อย่าไปเปิดอย่าไปรับสายนะฮะพุโทโธเราก็พาวนาของเราไปเรื่อยๆความคิดก็เหมือนกับคนโทรเข้ามามาชวนเราคุยนั่นเองเวลาเกิดความคิดให้เรารู้ว่าเราเผลอแล้วนะเรากําลังไม่ภาวนาแล้วเราไม่มีเราไม่ได้บริกรรมพุโทโธแล้ว ต้องกลับมาบริกรรมพุโทโธต่อไปให้มีอยู่กับการบริกรรมพุโทโธเพียงอย่างเดียวนี่คืองานของการภาวนาก็คือบริกรรมพุโทโธไม่ใช่นั่งไปแล้วก็มาคุยกับตัวเองคุยกับความคิดของตนเองหรือมายุ่งกับเรื่องราวที่อาจจะปรากฏขึ้นมาให้เห็นภายในใจมาตามรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่เกิดประโยชน์มันจะไม่ทําให้ใจของเราสงบได้จะไม่ได้ผลจากการนั่งสมาธิ ผลที่จะเกิดจากการนั่งสมาธิต้องอยู่กับการภาวนาบริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวเท่านั้นพอเราเริ่มภาวนาพุทโธแล้วเกาติดอยู่กับการภาวนาอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับอะไรทั้งนั้นอะไรมาปรากฏให้รับรู้แล้วก็รู้แล้วก็ปล่อยไปอย่าไปยุ่งกลับมาที่พุทโธพุทโธการาบริกรรมพุทโธนี้เปรียบเที่ยบก็เหมือนกับการนั่งรถเดินทางจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่ง ที่เราจะเดินทางกลับบ้านอย่างนี้เราก็ต้องนั่งรถแต่ถ้าเราขับรถไปกลางทางแล้วไปเจ อ, เอมีงานมีอะไรมีการาขายของมีมห์ลรถศพถ้าเราจอดรถแล้วลงไปดูมหร์รถศพจอดรถไปซื้อข้าวซื้อของเราก็จะไปไม่ถึงบ้านนั้นถ้าเราอยากจะกลับให้ถึงบ้านไปถึงจุดหมายปลายทางพอเราอยู่ในรถแล้วอย่าลงจากรถ ไม่ว่าเราจะเห็นอะไรข้างทางอย่าไปสนใจถึงแม้ว่าจะมีการลดลดแรกแจกแถมอะไรก็ตามอย่าไปสนใจเพราะสิ่งที่เราจะได้จากของเหล่านี้สู้จุดหมายปลายทางที่เราจะไปไม่ได้คือความสงบในเวลาเราบริกรรมแล้วให้อยู่ในรถรถของของของการภาวนาก็คือการบริกรรมนี่เองให้อยู่กับการภาวนาก็ถือว่า อยู่กับการบริการพุโทโธก็ถือว่าเรายังอยู่ในรถอยู่รถยังพาเราไปสู่เป้าหมายของเราอยู่แต่ถ้าเราหยุดแล้ว ไ, ไม่บริกรรมเริ่มคุยกับตัวเองหรือเริ่มไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้ในใจอันนี้ก็จะเหมือนกับว่าเราลงจากรถรถจอดรถไม่วิ่งแล้วเป้าหมายคือจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปก็จะไปไม่ถึง นั้นขอให้เราจำไว้ให้ดีเวลาเราภาวนาแล้วให้อยู่กับการภาวนาเพียงอย่างเดียวอย่าให้อะไรมาทำให้เราเสียสมาธิเสียเสียการภาวนาได้ให้ได้ให้พยายามกลับมาสู่การภาวนาให้ได้แล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปก็คือความสงบความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลาย เกิดจากการภาวนานี้ครับต่อไปเป็นสเตตสัสจากาคุณพี่คนหนึ่งนะครับซึ่งขอยืมมาเป็นคาถามซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับในสถานการณ์แบบนี้ศึกนอกศึกในจะวางใจตรงไหนดีก็วางที่อุเบกขาไงเราไม่มีอุเบกขากันพอมีอะไรเข้ามาก็เต้นไปต่างเขาเล ย, เยก็อย่างที่บอกเนี้ยไม่ภาวนากัน ไม่บริกรรมพุทโธกันนะพอสึกในเข้ามาก็พุทโธพุทโธไปพอสึกนอกเข้ามาก็พุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราอยู่ที่การทำใจของเราให้สงบนี้เท่านั้นเพราะใจสงบแล้วเป็นอูเบขาจะวางเฉยได้แต่ไม่ได้เฉยเมยนะคำว่าวางเฉยก็คือใจไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆแต่ถ้าต้องทาอะไรให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ก็ทาได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามไม่ได ถ้าคิดว่าการกระทำของเราจะทำให้เหตุการณ์ดีขึ้นก็ทำไปถ้าทำแล้วไม่ทำให้เกิดหเหตุการณ์ดีขึ้นหรือกลับทำให้เกิดเหตุการณ์เลวลงไปก็อย่าไปทำนั่นเองถ้าเรามีอุเบกขาเราจะสามารถใช้ปัญญาพิจารณาและทำไปตามเหตุตามผลได้ถ้าเราไม่มีปัญญานี้ไม่มีอุเบกขานี้เราจะคิดด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้เราจะคิดไปตามอารมณ์เราชอบอะไรเราจะทาเลย ไม่ว่าไม่ว่าจะเกิดผลเสียหรือไม่ก็ตามเราก็ไม่สนใจเพราะความหลงมันจะหลอกให้เราคิดว่าทำแล้วจะดีทั้งทั้งที่ตามเหตุผลนี้ทำแล้วมันจะทำให้เหตุการณ์เลวร้วายลงไปในเวลาเราโกรธเนี่ยวิธีไหนดีที่สุดรู้ไหมคือหุบปากเสียอยู่เฉยเฉยอย่าทำอะไรแล้วมจะไม่เรื่องมันจะไม่เลวร้วายแต่เราหุบไนไม่ได้อดไม่ได้ อที่จะทำนู่นทำนี่ไม่ได้กันพอทำแล้วก็มาเสียใจในภายหลังว่าโอ้รู้งี้ไม่ทำดีกว่ารู้งี้ไม่พูดดีกว่าแต่เวลาเกิดอารมณ์นีความหลงมันจะหลอกให้เราคิดว่ายิ่งพูดยิ่งมันยิ่งดียิ่งทำยิ่งดีแต่มันไม่ใช่นะเพราั้นถ้าเราไม่มีอุเบกขานี่อารมณ์จะครอบงำใจเราทันทีพอโกรธมันก็จะโกรธเลยพอรักมันก็จะรักเลยพอชังมันก็จะชังเลย แต่ถ้ามีอุเบคขาแล้วมันจะไม่รักไม่ชังมันจะเฉยเฉยแล้วเวลาจะพูดหรือจะทำอะไรจะใช้เหตุผลใช้ปัญญาคำถามข้อต่อไปจากคุณพีพภมัจจุราชนะครับกำลังทุกข์มากป่วยหนักแถมสามีไปมีกิ๊กได้เสียกันมาเป็นปี <c oughs> พอรู้หัวใจสลายเครียดโรคที่เป็นอยู่ก็ลุมเล้า พยายามคิดว่าเป็นวิบากกรรมที่ทําเข้ามาพยายามยอมรับแต่ก็ทําใจไม่ได้สักทีมีวิธีอย่างไรให้ใจมันปล่อยมันวางได้เร็วที่สุดเพื่อจะถนอมร่างกายตนเองและกรรมที่คนสองคนผิดศีลข้อกรรมีจะทําให้พวกเขาสุขหรือทุกข์เนี่ยความจริงต้องมาฟังเทศวันนี้ก่อนสักสามเดือนก่อนนี่มาฟังเทศ น, นี้ก็อาจจะช่วยได้เยอะถ้าฟังแล้วเชื่อก็คือ เตรียมอาวุธไว้สําหรับเวลาที่จะต้องเข้าสู่สมรลภูมิแต่นี่ไม่ได้ฟังธรรมก็เลยไม่รู้ก็เลยไม่ได้เตรียมอาวุธไว้พอถูกบงังคับให้เข้าสู่สมรลภูมิก็เลยสอบตกแพ้เขาอย่างราบคาบทุกทรมานเครียดมากแต่ถ้าเตรียมอาวุธไว้แล้วพอถูกบงังคับให้เข้าสู่สมรลภูมิก็จะทําลายข้าสึกของเราได้ข้าสึกของเราไม่ใช่สามีเราไม่ใช่กิดของเขา ข้าศึกของเราก็คือความอยากที่อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมนี่ต่างหากที่เป็นปัญหาอยากจะให้สามีเป็นเหมือนตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆไม่มีกิ๊กไม่มีอะไรกันแต่มันกลับไปไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาก็้าใจ ไ, ไเราสั่งเหตุการณ์ให้เป็นตามความอยากของเราไม่ได้นี่เราไม่ได้เตรียมอาวุธไว้พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาก็ ต้องทุกข์ทรมานเพราะเราหยุดความอยากไม่ได้แต่ถ้าเราเตรียมอาวุธิไว้ก่อนคิดพิจารณาไว้ก่อนว่าสามีเราไม่แน่นะเขาก็เป็นคนมีกิเลสตัณหาวันดีคืนดีเขาเกิดไปเจออะไรขึ้นมาทําให้เขาเกิดอารมณ์ขึ้นมาเขาก็อาจจะไปทําในสิ่งที่จะทําให้เราเสีย อ, อกเสียใจได้แต่เราคิดล่วงหน้าไว้ก่อนพอเกิดเหตุการณ์เราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์นั้น เรารู้ว่าเราไปบังคับเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้เราหยุดความอยากของเราได้หยุดความอยากใ ห, ให้เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราที่เขาเป็นอยู่ได้อันนี้แหละที่สอนที่แสดงธําวันนี้ก็เพื่อให้เราจะได้มีอาวุธให้เราเตรียมตัวสร้างอาวุธกันไว้เผื่อเราถูกบังคับให้เข้าสู่สมรภูมิอย่างผู้ที่ถามปัญหาในวันนี้ เราจะได้รับชัยชนะใจของเราจะสงบจะเป็นอุเบกขาจะไม่เดือดร้อนอับจะดีใจใช่ดีแล้วจะได้รู้ใจกันว่าเป็นอย่างไรถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์กับเราก็จะได้เลิกกันไปจะได้ไม่ต้องมามาหวงมาห่วงกันให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆนี่คือขอให้เราเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพยายามออกไปปฏิบัติกันมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วครับพระอ า, าจารย์ ถ้าไม่มีก็ดีจะได้ถร่ปิดรายการ <c oughs> นะก้อยเราอย่าประมาทนะก้อยเรารีบเตรียมอาวุธไว้สร้างอาวุธขึ้นมาไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะถูกปังคับให้เข้าสู่สมรรภูมิเมื่อไหร่ถ้าเรามีอาวุธแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเราจะสามารถฟันฝ่าข้าศึกศัตรูของเราได้รับชัยชนะอย่างแน่นอน จึงขอให้ท่านได้นำเอาอสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ